กราบบูชาพระรตนะไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถาวายความกรุบรายัางพระอาจารย์นรงค์วิทย์อาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินทร์พันเทเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายัางไม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2 5งอาปกติเย็นวันศุกร์นี่พระอาจารย์ไพศาลเนาะก็จะมาเทศพอดีตอนนี้ท่านติดกิจนิมนต์อยู่ที่ต่างจังหวัดนะก็มาไม่ได้ก็เลยพวกเราก็ช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนในการที่จะมาพูดคุยนำเสนอ นาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะกับพวกเราทุกคนนะโดยเฉพาะยางยิ่งสิ่งที่เราจะนำไปใช้นะในการประพฤติปฏิบัตินะเพื่อปลดปล่อยตัวเองนะออกจากความทุกข์นะจริงๆวันนี้เป็นวันเขาเรียกวันเลิกธาดนะเนาะสมัยทัา ก, การที่ที่หนะ้าะเออเลิกธาดนะพูดถึงเรื่องธาดนี่มันก็มีหลายอย่างนะ ธาตุอะไรบ้างอ่ะธาตุยาเสพติดธาตุตันหานะกี้เนี่ยที่เราพูดถึงตันหานะธาตุอะไรกัธาตุอารมณ์ธาตุความคิดใช่ไหมไอธาตุข้างนอกนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะแต่ไอธาตุข้างในเนี่ยคือธาตุทางใจเนี่ยสําคัญคนเราติดเป็นธาตุของสิ่งต่างๆ ่าจะเป็นธาตุยาเสพติดก็ดีธาตุความสะดวกสบายก็ดีที่เรียกว่าความอยากก็ดีนะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เราจิตใจของเราไม่ค่อยเข้มแข็งเนี่ยเนาะเรายอมนะยอมกับสิ่งเสพติดต่างๆอาจะเป็นสุรายาเสพติดนะบุหรี่นะมวลมันเล็กนิดเดียวนะแต่มัน มันออกไม่ได้ทะทีนะมันเป็นทาดอยู่ตลอดนะหรือบางคนเป็นทาดความสะดวกสบายนะมาอยู่วัดป่าสุกโตมีอาหารกินมีอากาศเย็นๆเนาะโอ้สบายเลยนะแตนะ่บางทีก็ติดสบายนะตรงนี้ <c oughs> ทำให้เราอนะ่อนแอความสะดวกสบายความเพลิดเพลิน นะอันนี้จะทำให้เราอ่อนแอเรียกว่าเป็นธาตุความสะดวกสบายแต่ที่สำคัญเนี่ยไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือธาตุของธาตุอารมณ์ธาตุความคิดอันนี้สำคัญนะชีวิตของเราที่เรามีความทุกข์เนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปโทษว่ามันเกิดจากคนอื่นบ้างนะเกิดจากสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะ อันนี้ก็ไปโทษข้างนอกนะที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่จริงๆมันคือความคิดปรุงแต่งนะนะความทะยานอยากที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะอยากในสิ่งที่เออเรายังไม่ได้นะสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยพอใจนะฐานะที่มีอยู่เงินทองที่มีอยู่ก็รู้สึกว่ามันไม่พอนะก็ดิ้นลนแสวงหานะไม่มีจบมีสิ้น นะหรือบางคนมีความทุกข์มีความเครียดนะก็ไปหาทางออกนะจากวัตถุข้างนอกบุคคลข้างนอกไม่ได้กลับมาดูตัวเองนะ ไ, ม ไ, มไม่ได้มาดูสิ่งที่มันเรียกว่ามันบังคับมันผลักไสเราให้เราต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนนะจนเป็นทุกขนะ์โดยเฉพาะความทุกข์ทางใจนะ ความทุกข์ทางใจความเครียดความเหงาความเบ้าเวความเซ็งนะความโศกความเศร้าพวกเนี้ยนะนี่เป็นความทุกข์นะความทุกข์ทางใจนะหลายคนนะไม่เห็นมันนะเพราะฉะนั้นก็ไปอาศัยสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะเช่นดนตรีหนังละคร น, นะแต่ไม่เราเพลินเพลินไปนะ่ะเขาเรียกว่า กลบเกลื่อนไปวันวันหนึ่งเพราะนั้นเราก็แก้ทุกไม่ได้เราก็เป็นทาสของอารมณ์เนี่ยอยู่ร่ำไป น, นี่เรียกว่าไม่ยอมปลดปล่อยสิ่งที่มาเรียกว่ามาควบคุมบังคับเราอันนี้มันเกิดจากการอะไรเกิดจากการเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้เราหลงหลงไปในความเพลิดเพลินหลงไปในอารมณ์หลงไปในความคิดนะ ความคิดที่เป็นจินตนาการต่างๆนะที่เป็นความคิดปรุงแต่งนะความคิดมันมีสองอย่างนะความคิดที่ตั้งใจคิดนะอันนี้คิดการคิดงานอันนี้จําเป็นนะแต่ถ้าเป็นคิดจกคิดจิตคิดไม่จบไม่สิ้นนะความคิดประเภทรักคิดเนี่ยอันี้มันทําให้เราฟุ้งซ่านนะอย่างพวกเรามาปฏิบัติกันวันนี้ก็วันที่หกแล้วเนาะพวกนี้เป็นวันที่เจ็ดนะบางคนก็ จะยิมยิมย่มยองแล้วพวกนี้จะได้กลับบ้านแล้วนะออกจากคุกคนดีสักทีมนะาอยู่วัดป่าสุกโตอย่างก็ทาตุะนะเนะต่บางคนก็คิดอย่างนั้นนะแต่มันก็เออก็เฉยๆนะวันที่หกแล้วก็ฝึกสติมาได้เริ่มได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมเช่นความง่วงอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราเคยเป็นธาตความง่วงนะมันเป็นยังไงมัอนง่วงทีไรก็นอนทุกทีอะ ใช่ไหมอยังอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยคนที่มาใหม่ๆอ่ะนะถ้ายังไม่รู้ฤทธิดเดชของความง่วงนะยังไม่รู้อํานาจของมันเนี่ยนะปฏิบัติไปนิดๆหน่อยๆง่วงไม่ไม่ไหวแล้วขอกลับกุฏิก่อนไปนอนสักเงีบเดี๋ยวค่อยมาทําใหม่นะแต่ถึงเวลาจริงไม่ได้ทําหรอกนะโดนความง่วงมันกดหัวเอาเรียกว่าเป็นทาตความง่วงแต่พอเรามาฝึกนะมาเจริญสติเราฝืนฝืนมันหน่อย มันง่วงเราไม่นอนนะง่วงนี่มันมีสองอย่างนะกายมันง่วงกับจิตมันง่วงนะกายง่วงก็คือเราอดหลับอดนอนอย่างเงี้ยอย่างไงมันก็ต้องนอนนะ่ะแต่จิตมันง่วงคื อ, อยังไงเนี่ยอย่างเรานั่งยกมือสั่งจังหวะเอายง่ายๆเนี่ยนะหรือเดินจงกรมเนี่ยมันง่วงนะหลอกมานิดเดียวอะ่ะหยุดทําแล้วไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวหายเลยอ่ะ้าวเนี่ยหลอกมานิดเดียว เรื่องอะไรจะให้มันหลอกเราล่ะใช่ไหมหรือเอาเราไม่ยอมมันนะมันง่วงใช่ไหมเราก็เดินให้มันเร็วขึ้นเดินหน้าถอยหลังนะหรือว่าสร้างจังหวะให้มันเร็วขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเพราะฉะนั้นการจะปลดปล่อยนะสิ่งที่เคยชินคุ้นชินเนี่ยนะเราต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวเข้ามาช่วยนะก็คือสติสัมปชัญญะแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะนึกนึกคิดคิดเอาไม่ได้นะ มันต้องกระทำํำนะซึ่งการกระทําที่เราทําก็คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยนะเป็นการปลุกนะปลุกจิตให้ตื่นรู้ปลุกสติให้ตื่นขึ้นมานะความง่วงมันมากดตาให้หลีลงลงหาใจค่อยค่อยนะปากค่อยๆห้อยน้ำลายย้อยนะเ อ, อหลังก็ค่อยค่อมๆลงนะเราก็ฝืนมาเลย ใช่ไหมมันหายใจสั้นใช่ไหมเราเข้าไปลึกๆเลยนะตามันจะลืลมตามโพรงขึ้นนะตัวมันงๆอๆอ่ะให้มันตรงขึ้นนะอย่าไปนั่งพิงเสาเอาเสาเป็นสาระนะฮะประเภทนั่งพิงเสาเนี่ยเรียบร้อยทุกรลนเนี่ยก็คือการที่เราไม่ยอมนะไม่ยอมกับความง่วงความฟุ้งซ่านเหมือนกันนะหลายคนก็เจอเนี่ยมา จะมาปฏิบัติธรรมคิดว่ามาปฏิบัติธรรมมาแล้วมันจะได้สงบมันจะได้ไม่ต้องคิดมันจะได้หยุดคิดมันจะได้สบายนะแต่ที่ไหนได้โอ้โหยิ่งทำมันยิ่งฟุ้งนะใช่ไหมมาวันสองวันแรกเนี่ยโอ้โหฟุ้งขนาดหนักเลยอยู่ที่บ้านไม่เห็นมันฟุ้งขนาดนี้เลยใช่ไหมมาที่นี่ทำไมมันฟุ้งขนาดอย่างนี้เอาอยู่ที่บ้านก็ฟุ้งแบบนี้แหละแต่เราไม่ได้ดูมัน เพราะเรามีงานมีการมีอ น, น, นุนี่นี่ทําแต่มาวัดป่าสุโกโตเนี่ยนะเราไม่ต้องไปทํางานเลยเลยทํางานเรื่องจิตอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นมันก็เห็นของที่มันแสดงออกมาเนะี่ยความคิดมันฟุ้งซ่านขึ้นมานะก็มีวิธีแก่ดิแล้วก็ปลดปล่อยมันดินะการที่จะปลดปล่อยความฟุ้งซ่านหรือว่าอาชนะความฟุ้งซ่านเดี๋ยวกลับมารู้สึกตัวเนี่ยนะเมื่อวานเราฟังหลวงพ่อเทียนใช่ไหม ท่านบอกมันคิดมากๆทํำยังไงเดินมันก็ยังไม่หายก็ทืบทา้าเท้าแรงเลยวะให้ตัวมันรู้สึกตัวทั้งตัวเนี่ยเออนี่มันวิธีการแก้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัวความคิดกด็ดีตัวความง่วงก็ดีเนี่ยมันจะแพ้คนที่ใจเด็ดนะคนที่ใจเพชรนะคนที่ไม่ยอมนะแต่คนที่ใจอ่อนปวกเปียกเนี่ยเรียบร้อยมันทุกรายเป็นธาตุมันทุกรายอะ่ะ จเจ อ, อมันทีไรก็แพมทุกทีอ่ะเหไหมเหมือนความอยากเหมือนกันนะความอยากอยากในอะไรอยากในลดอาหารอย่างเงี้ยนะอยู่ที่บ้านนี่จะกินอะไรก็เลือกได้แต่มาวัดป่าสุโขโตไม่มีอะไรก็ไม่รู้นะกินบางทีก็ถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างนะก็รู้สึกไม่เคยสบายใจนะอันนี้เป็นความอยากที่มันทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ แต่พอเรามีสติรู้สึกตัวโอ้ก็ธรรมดาเนอะอาหารนี่ก็ไว้สําหรับเลี้ยงร่างกายเราให้พออยู่นะที่จะมีกําลังวังชาในการที่จะปฏิบัติธรรมนะรสชาติวัดป่าสุขโตก็ไม่ถึงกัะเลวนะมีหลายคนบอกมาวัดป่าสุโขโตเนี่ยอาหารอร่อยทุกมื้อเลยไม่อร่อยได้ไงตอนเย็นไม่ได้กินข้าวอะใช่ไหม <laughs> ตื่นเช้าหยูมันก็กินอะดิใช่ปะ แต่ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นธรรมดาแล้วก็เห็นความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นแล้วก็วางใจธรรมดาธรรมดาเป็นปกติธรรมดาธรรมดาคนที่มีสตินี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่รู้รสชาตินะแล้วบางทีมันรู้รสชาติที่ละเอียดสุ ข, ขุมด้วยข้าวปเปล่าเนี่ยมันมีรสหวานด้วยเคยไหมเคยเคยกินข้าวปเปล่าไหมนะแต่ถ้าเราไม่มีสติหรือเรา มีสติอ่อนเนี่ยหรือสติมันหยาบเนี่ยนะมันกินอะไรก็ไม่ใคยอร่อยหรอกรสมันต้องจัดใช่ไหมต้องเติมรสเติมโอ้โหมันกินจัดรสจัดนะพอกินรสจัดมันก็ไปเกิดผลกับกระเพาะอีกนะอันเนี้ยเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยมเีเรียกว่าการรับรสก็ดีการสัมผัสอะไรก็ดีมันจะละเอียดอ่อนขึ้นนะเรียกว่าเราจะไม่ติดในรสชาตินะ เราจะไม่ติดในความสุขสบายนะและในเวลาเดียวกันเราก็สามารถที่จะรู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายจากใจนะอย่างเช่เรามาปฏิบัติเนี่ยนั่งแล้วก็ปวดเมื่อยนะแต่ก่อนเมื่อเราไม่ได้ฝึกเนี่ยเราก็รู้สึกหงุดหงิดนะหงุดหงิดในท่านั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยนะพอเราเปลี่ยนเยียบด ท, ท่านั้นอ่ะมันคลายโอ้เราสบายนะเรียกว่า มันพลิกไ ป, ไปอีกด้านหนึง่งเลยตะกี้นี่ปวดเมื่อยนี่เราอึดอัดหงุดหงิดแต่พอเราลุกขึ้นมันคลายออกเนี่ยเรารู้สึกสบายโล่งเนี่ยนี่ก็เรียกว่าตะกี้เนี่ยถ้าเรียกเป็นภาษาก็เรียกว่าปฏิคฆะเห็นไหมหงุดหงิดพอสบายใจก็ลาคะเนะีเพราะฉะนั้นมันบวกมันลบทีนี้ถ้าเรามีสตินี่เราก็เฉยเฉยปกติปกติ มันเจ็บก็รู้มันปวดก็รู้ระวังใจปกติได้นะเพราะสติมันรู้อยู่การเฉยในที่นี้เป็นเฉยแบบรู้นะไม่เฉยแบบซื่อบือ้อกายเป็นคนเย็นชานะสมัยก่อนอาตมาก็ไม่รู้เรื่องอนะ่ะเรียนเรียนกับหลวงพ่อคำเขียนนั่นไปสอนที่เชียงใหม่เนนะรานะก็สงสัยเอ๊ะปฏิบัติทำไปแล้วไม่พอใจและพอใจถอนความพอใจและไม่พอใจเฉย อย่างนี้มันก็เย็นชาที่หลวงพ่อวะ่ะถามหลวงพ่อคองเขียนบอกไม่ใช่นะก็คือเราตื่นรู้ระวางใจเฉยๆปกปติได้นะตรงเนี้ยมันจะทำให้เรา เ, ออเรียกว่าไม่ตกไปอยู่ในอารมณ์ความพอใจหรือไม่พอใจนะอันนี้เรียกว่าเป็นธาตุของอารมณ์เหมือนกันเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยจะทำให้เราสามารถปลดปล่อยนะความเป็นธาตุในอารมณ์ได้ ปลดปล่อยความเป็นท่านในความคิดปรุงแต่งได้ปลดปล่อยความเป็นท่านในความอยากได้เพียงเรื่องเดียวเนี่ยนะมันสามารถที่จะปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระความเป็นท่านในสิ่งที่เราเคยยึดติดได้นเ น, นี้ยก็เรียกว่าเป็นเป็นอนิสง์ของการเจริญสตินะซึ่งสติเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยสติและปัญญาพร้อมกั น, นเราเรียกมันรวมๆกันว่าความรู้สึกตัวดัง น, นั้น การที่เรามาเนี่ยอยู่กันถึงหกวันเจ็ดวันเนี่ยหลายคนยังไม่เคยได้เห็นตัวเองตัวเองมันเคลื่อนมันไหวตัวเองมันคิดมันนึกตัวเองมันเจ็บมันปวดแต่คำว่าตัวเองในที่นี้เนี่ยมันเป็นอาการนะมันไม่มีตัวตนเข้าไปหรอกแต่ก่อนเนี่ยเราไปเข้าใจผิดว่าอาจารย์เจ็บอาการปวดอาการเมื่อยเป็นตัวเรา มันก็รู้สึกทรมานแต่พอเรามีสติเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นเป็นเพียงแค่อาการที่มันเกิดนะไม่มีตัวของเราเข้าไปนะอ๋อมันก็เจ็บมันก็ปวดเราก็เปลี่ยนถ้าเป็นความทุกข์ทางกายเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอิเดียบทได้ผ่อนคลายได้นะก็รู้สึกสบายขึ้นนะเมื่อเรามีความคิดนึกอะไรขึ้นมาที่เป็นความคิดตรุงแต่งที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่คิดต่อนะ เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวอันเนี้มันจะเป็นการแก้กันเป็นการปลดปล่อยนะใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยทันหรอกนะอย่างสังเกตไหมวันแรกๆเนี่ยโอ้โหมันคิดยาวเลยสิบเรื่องยี่สิบเรื่องเราไม่ทันเลยนะแต่พอเราทําไปเรื่อยๆนะทาความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มเห็นสิบเรื่องเนี่ยเรื่องที่สิบเราเห็นอ่ะอีก9้าเรื่องไม่รู้ใช่ไหม ทำไปทำไปเออรู้เรื่องที่เก้าอีกแปดเรื่องไม่รู้นะทำไปทำไปเรื่องที่แปดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่หกมันจะหดสั้นหดสั้นครับเพราะนั้นหลายคนจะสังเกตเลยว่าเออมันจะมีพัฒนาการตรงนี้นะพัฒนาการจากการฝึกเนี่ยนะความคิดมันจะหดสั้นลงนะเรื่องราวมันจะน้อยลงแต่ไม่ต้องไปกลัวนะบางคนบอกมาฝึกแล้วโอ้โเดี๋ยวไม่คิดทำไงอเออวันก่อนก็มีคนนึงถาม อ้าวอาจารย์แล้วถ้ามันไม่คิดแล้วจะทำอะไรต่อเอา้าไม่คิดก็รู้ว่าไม่คิดทีนะแล้วไปตั้งคําถามว่าไม่คิดแล้วจะทําอะไรต่อแล้วไปดีใจว่าไม่คิดแล้วนะไอ้นั่นก็ความคิดใหม่ขึ้นมาเพราไปนั้นตรงนี้เนี่ยก็รู้รู้แล้วก็เฉยๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหยุดคิดไปเลยนะเดี๋ยวมันก็มาอีกเพียงแต่ว่าเรื่องที่คิดมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทําให้เราเสียพลังงานในการคิดน้อยลงคนที่นอนไม่หลับ คนที่เป็นโรคประสาท ส, ส่วนใหญ่เพราะว่ามันคิดไม่หยุดมันไม่สามารถปล่อยวางความคิดได้แต่เมื่อเรามาฝึกสติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักการปล่อยการวางนะคิดในสิ่งที่ควรคิดและไม่คิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดนะอันเนี้ยมันถึงเวลานอนก็นอนอย่าอาจารย์ทรงสิลให้โจทย์ไปใช่ไหมนอนหลับภายใน5้านาทีนะคนที่สามารถนอนหลับภายใน5นาทีได้นั่นก็คือปล่อยวางความคิดได้ใช่ม แต่ถ้าเรานอนไปคิดไปมันก็นอนไม่หลับห้านาทีเนี่ยอันเนี้ยเป็นพัฒนาการที่เราจะเห็นได้บางคนบอกมาปฏิบัติไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นสีเห็นแสงไม่เห็นดวงแก้วไม่เห็นพระพุทธรูปเลยไม่เห็นนรกสวรรค์เลยเอาไอ้นั่นเป็นเรื่องมายาการเห็นธรรมะจริงๆกือเห็นกายเห็นใจเราเนี่ยนะ กายมันเคลื่อนมันไหวมันเจ็บมันปวดมันร้อนมันหนาวนะมันหิวมันกระหายเนี่ยเราเห็นมันแล้วเนี่ยใจเรางดเกีดจไหมเราพอใจไม่พอใจไหมหรือเราเห็นแล้วเราก็ปกติเฉยๆเออเนี่ยอันนี้มันจะช่วยทำให้กายปกติใจปกตินะเห็นกายเห็นใจไอเป็นเห็นสีเห็นแสงนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องมายา นะส่วนใหญ่เนี่ยจะมักจะเป็นกับคนที่ชอบนั่งหลับตานะนั่งหลับตาแล้วสติยังไม่ดีพอเรื่องเก่าๆมันก็ผุดขึ้นมานะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราเห็นกายเห็นใจเนี่ยอันนี้มันของจริงเลยนะมันอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะเพราะนั้นธรรมะนี้เป็นเรื่องง่ายๆตรงไปตรงมานะที่เราเรียนธรรมะกันยุ่งๆ ย, ยากๆพรเราใช้ความคิดแล้วบางคนอ่านหนังสือเยอะชอบเทียบเคียง นั่นใช่ไหมไอ้นี้ใช่ไหมอันนี้มันเรียกว่าอะไรต้องไปเทียบกับภาษาบาลีโอ้โหมันช้าอย่างเงี้ยไม่ต้องรู้ภาษาเลยก็ได้เอาว่ามันหนักอกหนักใจขึ้นมาแล้วเราปล่อยวางได้เนี่ยโอ้เนี่ยใช้ได้ละเราไม่รู้ภาษาอะไรเลยก็ได้นะอันเนี้ยเป็นธรรมชาติที่เขาแสดงที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้เครื่องมือสําคัญที่เราจะใช้คือความรู้สึกตัวการศึกษาในโลกสมัยปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ใช้ความคิด แต่การศึกษาธรรมะใช้ความรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะซึ่งเครื่องมือเนี้ยเราใช้มันตั้งแต่สมัยเด็กไปดูเด็กเขาเรียนรู้ด้ ว, วิถีพิถัแล้วเราลืมมันไปละนะเพียงแต่ว่าเราเริ่มที่จะเอามาเอามาใช้ทีนี้ใหม่ๆมันก็นะลำบากหน่อยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอา่อมาทําให้มันต่อเนื่องนะ ที่เราทํากันมาห้าวันหกวันเนี่ยหลายคนก็คงจะสัมผัสแล้วล่ะใจปกติเป็นอย่างไงความพอใจไม่พอใจใจมันฟุ้งขึ้นมามันพอใจมันฟูขึ้นมาใจมันแฟบมันไม่ปกติเนี่ยเนี่ยมันแสดงออกเพราะฉะนั้นถ้าเราคุ้นกับความเป็นปกติของใจเมื่อไหร่เนี่ยพอใจมันไม่ปกตินิดหน่อยเนี่ยเราจะเห็นแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนบอกจะแก้ความโกรธยังไงก็มีหลายวิธีใช่ไหมบางคนก็กดข่มไว้ บางคนก็บอกแผ่เมตตาไปอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือบางคนไม่ไหวก็เดินหนีแต่ถ้าเราฝึกสติไว้บ่อยๆเนี่ยนะเราจะเห็นก่อนที่มันจะโกรธเนี่ยมันจะงุดหงิดขึ้นมาก่อนในใจมันจะหงุนกิดขึ้นก่อนมันจะกระเพื่อมก่อนและขนาดที่เรามาฝึกห้าหกวันเนี่ยเราคงจะเห็นแล้วล่ะความงุดหงิดในอากาศมันร้อนบางฝนมันตกบ้างยุงมันเยอะบ้างตัวลิ้นต่อย ตัวลิ้นตัวลายมันกัดบ้างนั่นะนั่ะนั่นมันเป็นมันเป็นเป็นเชื้อของความโกรธถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเหมือนเป็นคู่ซ้อมเพราะนั้นการมาฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะสําหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะไม่สงบนิ่งหรอกมันจะฟุ้งกระจายแล้วมันจะมีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาให้เราเห็นเพียงแต่ว่าเราไม่จมอยู่กับมันก็แล้วกันไม่ไปตามมันก็แล้วกันมันคิดขึ้นมาไม่ตามมันมีอารมณ์ขึ้นมาไม่ตามกลับมารู้สึกตัว มารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเอากายเป็นหลักใจไว้ก่อนนะใหม่ๆมันก็เพ่งๆจองๆเก๊กๆเก่งๆนะวันแรกๆจำได้ใช่ไหมหลายคนโอ้โหเอาจิงเอาจังหน้าบึ้งเลยนะอาตมาบอกยิ้มๆก็ได้นะปฏิบัติทำยิ้มๆหน่อยๆก็ได้นะหน้าเอาจิงเอาจังนะแต่เป็นธรรมดาทุกคนมันก็เป็นอาตมาก็เป็นทำไมไม่ใหม่ แต่พอผ่านไปสามวันสี่วันห้าวันเราเริ่มผ่อนคลายนา่หน้าตาเราก็เฉยๆยิ้มน้อยๆนะผ่อนคลายสบายๆนะอันเนี้ยมันจะค่อยๆปรับเนื้อปรับตัวไปเองเพราะฉะนั้นที่มากันห้าวันหกวันเจ็ดวันเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการปรับเนื้อปรับตัวมีบางคนบอกมาแค่สองวันนั่นนี่อาจะมาก็เลยบอกโอ้หมันจะเข็ดก่อนมั้งเนี่ยมาวัดป่าสุโกโตมาปฏิบัติสองวัน นะก็บอกอาพอสมควรันแล้วกันนะอย่าเอาจริงเอาจังมากเดี๋ยวเข็ดซะก่อนนะเอออ่ะลองดูนะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะเป็นช่วงวันหยุดสามวันใช่บางคนก็มาอยู่ชายภูมิอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะตอนนี้ก็ถือว่ามาใช้ประโยชน์จากวัดป่าสุกโตโดยเฉพาะยังยิ่งการมาเจริญสติในแนวของการเคลื่อนไหวนะเพื่อที่จะให้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราเรียนรู้อารมณ์ของเรา ขณที่มันแสดงที่ปรากฏที่มันเคยมีอำนาจมีที่พ้นครอบงำเรามานานเราเป็นทาสของมันมานานถึงเวลาที่เราจะต้องปลดปล่อยมันแล้เครื่องมือปลดปล่อยที่สําคัญคือสติสัมปชัญญะนี่เองสติปัญญานี่เองนาที่จะปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําได้นะไม่เหลือวิสัยนะอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย การสะสมบุญบรารมีอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยนะจริงๆบรารมีเนี่ยมันเกิดจากการกระทําไม่ใช่ว่าชาติที่แล้วโอโ้เราสั่งสมบรารมีไว้เท่าไหร่ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องอดีตไปลนะ้เราทําปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทําแล้วมันยังไม่บรรลุธรรมมันยังไม่เข้าใจเราก็เพียรลงไปนะเพียรลงไปอาศัยกัลยาณมิตรช่วยนะอย่าไปยอมแพ้ ง, ง่ายๆ บางคนอินรีลูกคุณหนูนะพอเจอความง่วงหน่อยไม่เอาแล้วเจอยุงหน่อยไม่เอาแล้วให้ไปลงที่ลานหินโค้งเนี่ยบอกยุงมันเยอะไม่ไหวขอมาอยู่ใต้หอไตอะไรเงี้ยนะสบายดีอาตมากแกล้งพูดเล่นๆนะคนนี้มาฝึกใหม่ๆเนี่ยฝึกที่บนศาลาเนี่ยเขาเรียกชั้นอนุบาล น, นะลงไปข้างล่างนี่ชั้นปถมไปลานหินโค้งนั่นมัธยม ไ ป, ปเผชิญสิ่งที่เป็นจริงข้างหน้าที่สารหน้าคือชั้นอุดมโอนะโหเจออาหารที่ชอบใจขูวอาหารไม่ชอบใจรู้ทันไหมเพราะนั้นการมีสติไม่ใช่มีสติแค่ยกไมย้ยกมือเดินจงกรมนั้นนะออกไปสารหานา้าออกไปเจอกับผู้คนได้ยินเสียงดนตรีมาเนี่ยเราทันมันไหมเรางุดหงิดไหมนี่คือเครื่องมือทดสอบ พราะที่วัดป่าสุโกโตนี่มีอาจารย์สอบกรรมฐานเยอะนะตุกแกนี่ก็เป็นสอบกรรมฐานได้นะคนไหนกลัวตุกแกเนี่ยใช่ไหมยิ่งจกตุกแกขี้ใส่โป๊ะลงมาเนี่ยด่ามันเลยว่ะใช่ไหมหรือบางทีโดนยุงโดนอะไรกัดเนี่ยนะหรือบางทีเรากลาลังปฏิบัติ ด, ดีๆก็อะมีคนมาชวนคุยอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็คุยเพลินไปเลยอ่าเนี่ยเราไม่รู้ตัวละเพราะฉะนั้น การเจริญสตินี้เราอย่าเพียงแค่ในรูปแบบนะแม้แต่เราออกจากรูปแบบไปทำกิจวัตรประจำวันให้มีความรู้สึกตัวเข้าห้องน้านะกินข้าวแปลงฟันนะใส่เสื้อผ้าให้มีความรู้สึกตัวเรียกว่าให้มีความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องตรงนี้จะทำให้การเจริญสติของเราเนี่ยมันมีผลนะมันมีพัฒนาที่ดีขึ้นไป นาะซึ่งอันนี้จะช่วยทำให้เราปลดปล่อยนาะสิ่งที่เราเคยยึดติดนาะที่เราว่าเป็นเป็นเจ้านายที่คอยกุมเราเรียกว่าปลดปล่อยแล้วจากความเป็นทาตทาตในอารมณ์ทาตในตัณหาทาตในความคิดนาะจะได้เป็นอิสระเสีีนาะวันนี้เป็นวันเลิกทาตเพราะฉะนั้นเรามาเลิกทาตจากตัณหากันเถอะนะอา้าวคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะพูดไป สเพลแเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะอาจจะไม่ได้จัดเรียบเรียงให้พเหมาะพอดีแต่คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะอะไรในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสี่สัมปชัญญะที่มีในตัวเรา พัรรมก็คือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏทั้งที่กายที่ใจและก็สิ่งแวดล้อมข้างนอกนะแล้วก็พระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะที่เราได้ทำนะด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรความพยายามความตั้งใจนะมีสตินะมีสมาธิมีปัญญานะก็ขอให้ทุกท่านนะได้ถึงซึ่งความเป็นอิสระภาพทางใจ ก็คือได้สัมผัสกับความเป็นปกติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในเรนวันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร